ใจเนี่ยมันละเอียดถ้าเราไม่รู้ปรามัดก่อนมันดูไม่ได้เราก็มาดูการเกิดดับแบบสมมุติการเกิดดับทางกายนะการเกิดดับของกายการเกิดดับของเวทนาการเกิดดับของความรู้สึกเนี่ยให้เห็นชัดๆก่อนอแต่ว่าการเกิดดับทางกายเนี่ยเราเอามาสมมุติเรียกอย่างอื่นสมมุติว่าหยุดก็คือดับเคลื่อนก็คือเกิดใช่ไหมหนัก ก็คือเกิดพอหายหนักก็คือดับเบาก็คือเกิดพอหายเบาก็คือดับเนี่ยแล้วก็ดูไอ้การเกิดดับแบบสมมุติทางกายเนี่ยให้มันให้มันขึ้นใจซะก่อนแต่ความจริงเป้าหมายลดการไปดูการเกิดดับของของจิตนี่แหละแต่ว่าสติในระดับที่เป็นรูปนามเนี่ยมันไปดูการเกิดดับของจิตไม่ได้ต้องระดับปรมาติ ใช่ไทีนี้เราก็ใช้การความรู้สึกตัวในระดับรูปนามดูรูปดูนามความเกิดดับระดับเวทนาไปดูเวทนาเพราะฉะนั้นชีวิตของเรามันเกิดจากการเกิดดับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเพราะการเกิดดับเนี่ยไปเห็นจุดตัวประประยานาพอเราเห็นอดีตของเรามาว่าเราทุกมาตลอดเนี่ย <c oughs> ทุกมาตลอดตั้งแต่แต่เราจํามันไม่ได้เท่านั้นเองเกิดมาที่นี้ก็จําเกิด ทุกตั้งแต่นู้นนะเกิดมาก็ทุกเลยใช่ไหมทุกมันทําให้ตื่นตัวเพราะฉนั้นโบราณเราฉลาดสมมติให้เด็กที่เกิดมาเนยร้องอวัยแต่ถ้ามันไม่ร้องไปไงโดนตีก้นนะเด็กคนนั้นนะใช่ไหมพอตีก้นพับอวัยมันก็เอาแหวนั่นเองฉันรู้สึกแล้วฉันรู้สึกแล้วอย่าตีฉันอีกนะเอาแหวเอาแหวก็เป็นอ w แว e n e เรามาแปลเป็นอวัยนั่นเองรู้ตัวนะ ถ้าเด็กไม่แวดเราไม่ได้แล้วเพราันนั้นเราก็มาเอาแวต่อคือมารู้สึกนะก็คือเอาของเก่านั่นแหละมาฟื้นใหม่เมื่อรู้สึกตัวแล้วมันถึงจะเห็นการหยุดการเคลื่อนการหายใจเข้าหายใจเข้าก็หายใจออกอะไ น, น, นเป็นเกิดเป็นดับ <c oughs> ต้องเรียนรู้การเกิดดับตรงนี้ให้เพื่อให้เห็นว่าเวทนาตัวนี้จะสมบูรณ์ต้องรู้การเกิดดับของเวทนา ถ้าไม่รู้การเกิดดับของเวทนาเวทนาตัวนี้สมบูรณ์ไม่ได้หายใจเข้ากับหายใจออกนั้นเป็นเกิดเป็นดับสมมุติทางกายหายใจเข้าเป็นไงเกิดหายใจออกเป็นไงหลงประเด็นแล้ะหายใจเข้ามันก็เกิดหายใจออกมันก็เกิดนี่แหละหายใจเข้าเกิดอะไรเกิดหนักหายใจออกมันเกิดเบาแต่การเข้าไปรู้การหายใจเข้าหายใจออกนั้นมันดับ มันดับคือรู้การเกิดหนักกับเบาเป็นอันเดียวกันเป็นเหตุปัจจัยของการอะไรกันหนักก็คือเบาเบาขึ้นหนักถ้าไม่มีหนักก็จะมีเบาไหมถ้ามีเบาไม่มีเบาจะมีหนักไหมหนักกับเบาเป็นอันเดียวกันไหมเพียงแต่เป็นเหตุปัจจัยของการอะไรกันเรารู้จักมืดเพราะมีสว่างเรารู้จักสว่างเพราะมีมืดถ้าไม่มีสว่างไม่มืดก็ไม่มีสว่างกับมืดเป็นอันเดียวกันไหมอันเดียวกันแต่เหตุปัจจัยแต่เรารู้จักมืด รู้จักสว่างนั้นเรียกว่ารู้จักเหตุปัจจัยของมันนะรู้จักเหตุปัจจัยดังนั้นเราจะไปรู้การเกิดดับของจิตเนี่ยต้องไปรู้ปรมัตดอารมณ์ต่อไป น, นะแต่ของเราเนี่ยอารมณ์รูปนามก็ยังไม่ชัดเจนเลยก็ให้มารู้การเกิดดับของของรูปของนามการเคลื่อนการหยุดการเคลื่อนเป็นเกิดหรือเป็นดับ <Okay. S 1> การหยุดเป็นเกิดหรือเป็นดับ <Okay. S 1> เป็นเกิดเหมือนกัน <Okay. S 1> แต่ถ้ารู้เกิด รู้หยุดและรู้เคลื่อนนั้นเป็นดับตัวรู้ทำให้ดับดับอะไรดับความรู้ที่จะไปยึดการหยุดการเคลื่อนเป็นตัวเราของเราดับความรู้สึกอันนั้นไม่ใช่ว่าความรู้สึกมันเกิดมันดับทันไหมทันนะโอเควันนี้เราจะมาขึ้นอา้าวตัวเรือนอันนี้นะ่ะทีนี้จะทำให้เบาได้ไหมก้าวหน้าความหนักจากการยืนหายไปใช่ไหม แรงความหนักเกิดจากกันนั่งครึ่งตัวนั่งครึ่งตัวก่อนอย่านั่งพับแพบให้มันเห็นทุกตามขั้นตอนของมันก่อนอะไรก็จะหาสบายสบายเรื่อยเรื่อยว่าไนงะมันจิตสบายจนไหลไปสู่ความสบายโดยไม่รู้ตัวไม่ยอมไม่ยอมทุกข์เลยว่าไนงะเราทุกข์เพื่อที่จะได้รู้จักทุกข์ไงเป็นสมุทัยข้อแรกเลยนะทุกข์เพื่ออะไรเพื่อจะให้รู้จักเออทุกข์แบบนั่งแบบนี้มันเป็นแบบนี้น ะ, อ, ะอิติรูปังรูปเป็นอย่างนี้อิติลูปะ สมุทโยการเกิดขึ้นของรูปเป็นอย่างนี้อิติอัททังขโมนะการสลายไปของรู ป, ปนี้อิติปวดความปวดเป็นอย่างนี้การเกิดขึ้นของการปวดเป็นอย่างนี้และการดับของการปวดเป็นอย่างนี้พุทธิยถาท่า น, นสอนละเอียดละเอียดแต่ว่าเราไม่เข้ามาพูดกันะใช่ไหมมันก็เลยปฏิบัติทูกๆูกผิดผิด่ะตอนนี้หนักเลยยังหนักเลยใช่ไหมหนัก ถ้าเราพอใจหรือไม่พอใจกับมันก็เป็นเกิดแต่ถ้าเรารู้หนักรู้เบาเฉยๆมันเป็นดับคาว่าดับหมายความว่ามันไม่ไปเกิดที่จิตมันเกิดแล้วมันดับอยู่ที่กายเรียกว่าดับเข้าใจน ะ, อะเอาทีนี้ลองหย่อนลงความหนักที่เขายังอยู่ไหมหายไป รู้การเกิดดับเฉพาะกายเนี่ยนี้มันก็เป็นตัวสติสัมปชัญญะขึ้นมาเลยเป็นตัวรู้ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มั่วไม่ได้นะมันจะต้องมีเหตุผลมีขั้นตอนรองรับทุกๆุระยะเลยคําสอนพระุทธเจ้าเอาปรับนั่งให้สบายปรับนั่งท่ายนั่งให้สบายทีนี้เรามาดูเมื่อวานเรารู้วเราวิทนาสองตัวหลักๆใช่ไหมกายกับเวทนาสองตัวหลักๆ ก, ก็คือ พอใจและไม่พอใจเราเรียนอยางได้สองวันหนะึ่งวันนี้ขอเวทนาอีกวันหนึ่งเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากนะถ้าเราไม่เข้าใจไม่เห็นเวทนาไม่เห็นการเกิดดับของเวทนาไม่เห็นการเกิดขึ้นไม่เห็นการตั้งอยู่ไม่เห็นการดับไปของเวทนาสติไม่จะเกิดได้อย่างไรใช่ไหมตลอดเวลาที่เราอยู่กับการเกิดดับของเวทนามาตลอดชีวิตเนี่ยเราไม่เคยไปดูเสียงมันลองเนาะ เราไม่เคยเข้าไปดูในการเกิดการตั้งอยู่ดับไปของมันเนี่ยมันจึงไม่เกิดการตัวภาวนาไม่เกิดกับเป็นการตื่นรู้ไงเพราะฉะนั้นการตื่นรู้เนื่องจากเราเข้าไปดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกายของเวทนาเรียกว่ากายยักดสติไงมีสติตามรู้ดูกายถ้าเราตามรู้ดูกายมีสองอย่างเบื้องต้นะ่ะการรู้ดูกายทางเคลื่อนไหวใช่ห การเคลื่อนไหวมีกี่ระดับของกาย6ระดับ1การเคลื่อนไหวของอะไรขอทุกท่นอีกทีนึงการเคลื่อนไหวของลมเข้าออกหายใจคอเรียกว่าอานาปนสติ2การเคลื่อนไหวของการยืนการเดินการนั่งการนอนเรียกว่าการเคลื่อนไหวของอีเดียบท4 3. ในการเคลื่อนไหวยืนเดิน นั่งนอนเนี่ยมีอริบทตย่อยมั๊บปัพระอาปากหายใจเร็วซ้ายเลยขวาก้ามเงยมีไหมมีการเคลื่อนไหวของเอริบทย่อยอันที่สามเรียกว่าสัมปัจจยปะพระที่เราสวดไปเมื่อกี้อ่ะอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานญการิโหติมีความรู้สึกตัวท่วมในการก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกตัวท่วมในการถอยกลับมาข้างหลังนี่ปฏิกันเตคืออย่างนี้นะไม่ใช่ถอยกลับแบบนี้อันนี้ก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆเลยแต่มันต้องเป็นอย่างนี้ปฏิกันเต ที่สีนะ่อันที่สามนะอันที่สี่ที่เราตรวดไปมีอาการสามสิบสองเราไปพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังจนเส้ใหญ่เส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นอย่างเป็นอย่างอันนั้นเราหลงประเด็นนะถ้าในพิจารณาอาการไม่ใช่พิจารณาวัตถุไม่พิจารณาผมขึ้นพิจารณาอาการผมขนเล็บฟันหนังทั้งสามสิบสองอาการเนี่ยมันออกมาเป็นเหลือเพลิงสองสามอาการอาการคือ หนึ่งหนักสองเบาสามเฉยๆกลางๆมี3าอาการแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอาการนั้นจึงเรียกว่าเวทนาอาการสบายหนักทําให้เบาทําให้สบายหนักทําให้ไม่สบา ย, ข, ยขณะที่เปลี่ยนยังไม่ทันหนักทันเบาเป็นอุทุกขกัมีสุขเวทนาหรือว่าสบายก็ไม่ใช่ไม่สบายก็ไม่เชิงนี้เราจะเรียนกันเรื่องนี้วันนี้นะเพรา ะ, ะนั้นดูหน้าตามันหน่อยนะ ว่าทุกขมสุขไปธนานไปยังไรทั้งนู้นเห็นไหมข้างเห็นนะทั้ น, นไม่เห็นนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเรียนวิปัสนาแล้ววิปัสนาภูมิแล้วโดยถ้าเข้าใจไม่ชัดเนี่ยมันก็มั่วแล้วทีนี้แล้วก็นั่งฟังกันไปเรื่อยๆแต่ถามเข้าใจอะไรไหมไม่เข้าใจปฏิบัติถูกไหมไม่ถูกปฏิบัติร้อยวันพันปีก็อยู่ที่เดิมเลยทีนี้ ปฏิบัติพิปัสนามาตลอดชีวิตไม่เห็นล่าโลค ก, กุหลงได้เลยโลกกุหลงได้ดีกว่าเก่าอีกยมันผิดแล้ว <laughs> มันจะต้องลดให้เห็นชัดๆว่าอะไรเป็นอะไรถึงจะเป็นพุทธธรรมได้เอาละทีนี้มาดูว่าเมื่อวันก่อนว่าอะไรเรื่องอสุ ข, ขเวทนานะขอทบทวนอีกทีหนึ่งอันที่สอง ทุกขเวทนาอันที่สามอัทุกขมัศสุเห็นตัวนี้เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะที่เรารู้ไปเมื่อวานนะ้วยสุ ข, ขเวทนาก็อให้เกิดอะไรนะความพอใจใช่ไหมทุกขเวทนาก็อให้เกิดอะไรความไม่พอใจอัทุกขมัสุเวทนาก็อให้เกิดอะไร ความไม่แน่ใจอ่าแต่เราไปแปลว่าเฉยๆเนี่ยมันยังสงสัยมันเฉยได้ไงคือไม่แน่ใจว่ามันสูงหรือมันทุกข์อ่ะมันเกิดขึ้นตอนไหนดูนะเอามาแปลใหม่ว่าความไม่แน่ใจแต่ว่าในรากของที่เราเรียนไปเมื่อวานนะพอใจถึงสิบห้ารากไม่พอใจถึงสิบสี่รากใช่ไหมถึงสิบห้านี่แหละนะแล้วก็ไม่แน่ใจเนี่ยดูมันมันมีสักิรากวันนี้ ไม่แน่ใจหรื อ, อทุกขมาสู่เว น, น่มันเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่เวลาเรานั่งสักพักหนักอะไรใช่ไหมพอลุกขึ้นมันเบาช่วงเชื่อมต่อระหว่างหนักไปสู่เบาเนี่ยคืออะไรขยับนิดเดียวไม่ต้องลุกขึ้นยืนนะขยับนิดเดียวเพื่อให้เห็นของจริงนิดขยับนิดหนึ่งก็ได้สมมตินั่งอย่างนี้ใช่ไหม หนักแข่งหนักขาใช่ไหมพอขยับพอหนักหายไปช่วงที่ความหนักและความเบาเชื่อมต่อกันนี้เองเราเรียกว่าอุทุกขมสุขเวทนาคือจะว่าบัญยัติว่าเป็นสุขก็ไม่ใช่จะว่าเป็นบรรยัติว่าเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่เขาเรียกอทุกข์มสุขเวทนาคือไม่แน่ว่ามันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่แน่ว่าเป็นหนักหรือเป็นเบาตรงนี้เรียกว่าอทุกคมสุขเวทนาฮะในระหว่างละเอียดไหม พูดที่เจ้เรียนมากนะแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราได้หนักเราก็ไม่ตามรู้เบ า, เาไม่ตามรู้ช่วงครึ่งหนักครึ่งเบาเราก็ไม่เคยตามรู้มันแล้วก็ภาวนากันมาตลอดชีวิตแล้วไม่ตามรู้สิ่งนี้นี่เปไ็นจะรู้อะไรใช่ไหมอันนี้คือข้อผิดพลาดของการทำภาวนาให้รู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของหนักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของเบา เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของไม่หนักไม่เบาทวทนาทั้งสทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าไปรู้ทั้งสามอาการที่ชัดๆเนี่ยทั้งพอใจไม่พอใจและไม่แน่ใจไม่รู้มันชัดเรียกว่าอะไรอวิชาถ้าเข้าไปรู้มันชัดๆถึงขบวนการทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าวิชาเราก็ามาเรียกภาษ า, ายเฉพาะว่าสติหรือขาดสติเอาละทีนี้มาดูนะ ไอ้ความไม่แน่ใจนี่มันจะพัฒนาเป็นอะไรบ้างอาทุกขมสุเวทนาอาทุกหนึ่งนะเห็นตัวใหญ่ก็แล้วกันคนหลังไม่เห็นอทุกขมสุเวทนาอา๋อุขมสุเวทนาความรู้สึก เฉยๆเนี่ยอา ม, มาแรงใจมาตลอดว่าเอ้เอฉยๆมันอาการของจิตเนี่ยใช่ไหมแต่อาการของกายมันเฉยไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลามันเฉ ย, ยตรงไหนอ่ะเอามาก็บอกว่าเออมันไม่แน่ไม่แน่ว่าจะเป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์เอ า, เอ า, เ, อาเอาตามเขาไปก่อนเงี้ยเฉยๆอ่ะอันที่สองถ้าอทุกขกมรรคเวทนานเนี่ยบวกอวิชชาเกิด อ, อะไรขึ้นแล้วบวกอวิชชากันนะ บวกความไม่รู้เท่าทานันคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอาการทั้งสามคือสบายไม่สบายหรือเฉยเฉยเนี่ยเกิดเราไม่ได้ตามรู้เพราะาเราไม่ได้ฝึกสติมาก่อนใช่ไหมเมื่อเราไม่ได้ตามรู้มันอุนทุกขมสุขวาร ก, ก่อให้เกิดตัวเวทนาที่สองคืออุเปกขาเวทนาอาอุเปกขาเวทนาอุเปกขาเวทนาที่ได้กล่าวมาวันก่อนว่ามันต่างจากอุเปกขาสามพุชงใช่ไหมเพราะสามพุชงก็มีอุเปกขา นะเพราะนั้นอุเเกขาเวทนานี่รู้สึกจะบอกว่ารู้สึกเฉยเฉยเนี่ยนะดังที่กล่าวเมื่อเม่อกี้ว่ามันไม่ใช่อาการของกายพอมาเป็นอุเเกราเวทนาเป็นอาการของจิตแล้วใช่ไหมก็เป็นรู้ซื่อๆนั่นคืออุเเกขาเวทนอุเปเเกราสัมผัชงแต่พอมารู้อุเบกราเวทนาเขาเรารู้แบบซื่อบือ้อ <laughs> เคยไดียนเขาพูภาษาใหม่นะรู้ซื่อบือนี่นะคือมันซื่อบื้ออ่ะเอออาการเป็นยังไงอธิบายได้ไหมซื่อบื้อเนี่ยคือใหม่รู้ใหม่ชี้เออใหม่รับรู้ใหม่ตอบสนองอะไรท่านนะงงเงี้ไปอ่าวดูดีๆว่ามันพัฒนาไปอย่างเงี้ยเวขาอเอาซื่อบื้อกันแล้วกันเนาะเ <c> พ <oughs> ื่อจะได้ภาษาใหม่ขึ้นมาอันที่สาม ถ้าไม่มีสติตามรู้อุเบกขาเวทนาอาการรู้สึกงงงงเงีงยเงี้ยังไม่แน่เนี่ยเราก็ไม่ได้ตามรู้มันอีกมันก่อให้เกิดตัวที่สามคืออะไรโม ห, หะอ่าเห็นไหมตัวเนี้ยโมหะมาแล้วนะเพราะว่าราคะก่อให้เกิดตัวสุขเวาาเาาทวนาก่อใเกิดราคะทุกขเวทนาก่อให้เกิดโทสะโมเอาทุกขเมตสุภะก่อให้เกิดโมหะโมหะมาแล้วนี่รากรู้ของมันมา ทีนี้มันหลงหลงลืมลืมซื้อบือ้อไอ้ตัวซื้อบื้อมาเกิด ม, มาเป็นความโมหะคือหลงหล ง, ล, งลืมลื ม, ลมไม่มูมูมสัวสัวไม่ชัดใช่ไหมโมหะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มีมีสติอีกเพราว่าหลงหลงลืมลืมงงงงเงๆสํางีงงงงงงงงหรับบางคนเลยนะก็ยังไม่ได้ตามรู้อาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อไม่ตามรู้ไอ้ไตัวโมหะก็พัฒนามาเป็นอะไรก่อนที่เราจะ ง่วงเนี่ยจำได้ไหมอาการมันเป็นยังไงเวลานั่งไปสักพักมันง่วงใช่ไหมบางคนตาปลือเนี่ยอาการมันเป็นยังไงบอกถูกไหมก่อนที่มันจะง่วงเน่ยมันเพลินเพลินในอะไรเพลินในความไรขนาดเพลินนี่มันหลงเลยใช่ไหมหลงอารมณ์เราเป็นโมหะแล้วโมหะตัวนี้มันก็จะนําไปสู่ถีนะมิทะนะเป็นตัวที่สี่ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นถีนมิทะเริ่มต้นจากตัวโมหะที่ที่พูดเป็นนิวร์ดเมื่อวานมาแล้วใช่ไหมนิวร์ดตัวนีถ้ถีนมิทะถีนมิทะคือความงงเหงาเานอนเบอเบ็นอาการเดียวกับโมหะตัวเปขาไอตอนแรกซื้ อ, อใช่ไหมมันก็เบอร์แล้วก็ซึมซึมไม่ชัดละ่ะมาเป็นตัวถีนมิทะคือความอะไรโมหะนี่ความหลงเพลินนะ เพลินในอารมณ์นั่งไปสร้างจังหวะในมือไปวอยๆๆไม่รู้จังหวะช้าจังหวะก็บรรเทาเนี่ยสักพักก็ตาไปแล้วตาปรือแล้วหรือนั่งสมาธินั่งสักพักก็ซึมซึมซมซึมก็หลับไปแล้วแต่เราบอกเข้าสมาธิแต่เขาคือหลับไหนนั่นเองนะมีะท่าก็คือความอะไรความง่วงเหงาหอนนอนความง่วงเหงาง่วงเหงา ทีนี้บางทีเนี่ยพอมันเพลินไปมันไม่ง่วงตรงกันข้ามเลยะมันตรงกันข้ามกับควมง่วงมันคืออะไรอุทัด จ, จั่ฟุง้งอ่าอุทัด จ, จัฟุง้งบางครั้งเนี่ยนั่งสร้างจิตวิบไปบางคนเนี่ยประเภทที่เรียกว่าอะไรนักคิดนักตึกนักจรองเลยนะ สร้างไปฟุ้งไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เปรียบอย่างงุ้นเปรียบอย่างนี้ไปเกิดอุทาจนาะรนะอันพออุทาจารแล้วเอ๊คิดไปคิดมามันใช่หรือเปล่าสร้างจังหวะแบบนี้ไอเราเคยแต่นั่งสงบหลับตาเข้าออชานโน้น ون, ชานนี้ออกฌานนั้นออกชานนี้แต่อั น, นี้มันนั่งยกมือมันได้อะไรมันรู้ได้ยังไงใช่ไหมยกไปเหนลยเปล่าหรือเปล่าเพี้ยนหรือเปล่าสงสัยแล้วใช่ไหมขอให้เกิดตัวที่หคืออะไรวิ วิจิกิจฉาสงสัยสเก็ปติคอนเดอในเฉพาะตัวอัทุกรรมสุขกเวทนานี่มันก่อให้เกิดตัวโมหะใช่ไหมแต่ตัวโมหะเองเนี่ยเป็นสายให้เกิดนิวรณ์ทั้ง3ตัวเลยแต่ว่าตัว พอใจหรือสุขเวทนาหรื อ, อโสมนัส า, าเวทนาก่อให้เกิดนิวรณ์เพียงตัวเดียวคือกามฉันทะใช่ไหมแล้วก็ทุกขเวทนาก็ก่อให้เกิดนิวรณ์ตัวเดียวคือพยาปาทะแต่เฉพาะอาทุกขมสุขเวทนาตัวเดียวก่อให้เกิดนิวรณ์ถึงสตัวคือถีนมิทะอุทจักกุกุจะเพราะนั้นนิวรณ์ทั้ง5้าเฉพาะตัวอทุกขมสุขเวทนาตัวเดียวเนี่ย มันคลอดมาสตัวมันกำเนิดมาจากอุเบกขาแล้วมูหะมาเป็นตัวนี้เป็นนิวรห้าแต่ความจริงก็มาจากเวทนาทั้งสานั่นเองเห็นไหมที่ว่าเรื่องเวทนาสําคัญมันขยายไปได้ทุกเรื่องทุกเรื่องเวทนาสามโอารานาะมั น, ม, นมันดึงมาได้ทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเราไม่สังเกตรายละเอียดของมันเนี่ยทีนามิธาอุทจาวิจิกิชาต่างก็เกิดมาจากมูหะทั้งสตัวเมื่อ มาถึงอันที่หแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้สติอีกเพราะเราไม่ได้เจริญสติมาก่อนนี่ใช่ไหมเจริญเมื่อกีสติไดเป็นสันสัญญาณไม่ได้เป็นสัมมาสติมันก็ไปเกิดตัวอะไรรู้ไหมตัวที่เจ็ดอ่าตัวนี้สําคัญละ่ะตัวที่เจ็ดคือตัวทิ่ทิอ่าตัวทิ่ทิคือหมายความว่าเกิดความสําคัญมั่นหมาย แต่ทิฏฐินี้ไม่ได้มิสมาทิฏฐินะคือมิชาทิฏฐิแต่เราว่าเป็นกลางๆไว้ก่อนคือทิฏฐิบ้านเราว่าคุณที่มีทิฏฐิแต่ในความหมายคนนี้ทิฏฐิเยอะเหลือเกินแต่ยังไม่ได้บอกว่าสมาหรือมิชายใช่ไหมแต่ความหมายที่พูดหมายถึงสมาหรือมิฉายมิฉาแหละแต่เราพูดสั้นๆ่ะไอ้คนนี้มีทิฏฐิถือเนื้อถือตัวก็มิฉาทิฏฐิเรียกว่าสักยัตทิฏฐิตัวนี้นะอ่าตริ่เติแล้วขอใช้คําเต็มของเขาสักยัตทิฏฐิเป็นอันที่หนึ่งของ สังโยะเลยทีเดียวนะสักกายะนี่เพราะฉะนั้นสักกายะทิฏฐิมากําเนิดแต่เวลาเราไปใช้ในกิเลสขั้นกลางก็ใช้แค่ทิฏฐินะตัณหามาณะทิฏฐิกิเลสระดับกลางใช่ไหมกิเลสระดับยาวก็คือราคฆาทสศัมุหพะพอกิเลสระดับกลางมันเป็นระดับเมื่อวานกิเลสระดับกลางเกิดในลำดับที่6กใช่ไหมวันนี้มาเกิดในลำดับที่เจแต่มาใส่คําว่าสักกายะทิฏฐิเพราะมันเป็นตัวที่หนึ่งของสังโยะสิบ เอตัวสกิรยัติทิฏฐิเกิดแล้วเนี่ยเป็นสมาธิทิฐิหรือเป็นพิจารัากิยะเนี่ยมิจฉาทิฏฐิสาคัญมั่นหมายในตัวเองว่าเราเป็นนู่นเราเป็นนี่เราเป็นหญิงเป็นชายเราเป็นพระเป็นเนนเป็นเถนเป็นชีเราเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการถ้าใครไปทักไม่ถูกเรื่องเราเป็นเรื่องนะเออฉันเป็นครูอย่างเงี้ยนะครูไม่ไหวแย่มากสอนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเป็นไงขึ้นได้ใช่ไหม โยมเป็นแม่ค้าแม่ค้านี่ใช้ไม่ได้เลยเห็นแก่ตัวเอาเปรียบชาวบ้านขูดเลือดเป็นไงดูดเลือดดูเนื้อขึ้นละเราแต่ละคนก็มีสกยัติฐิของเราเองพระนี่ใช้ไม่ได้เลยศีลก็ไม่ไรักษาเนี่ต้องอบัตรมาเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ยโดนได้ใช่ไหมพระก็ขึ้นเๆเลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสกยะทิฐิแล้วสกยัติฐิตัวนี้มันก็มาก่อให้เกิดอีกทิฐิ มิจฉาแปประการก็คือจากเจ็ดก็เป็นแปดก็คื อ, อมิจฉาล่ะมิฉาทิฏฐินี่แปดนะมิจฉาทิฏฐิเมื่อเห็นผิดแล้วก็เกิดที่9้าคือมิจฉาอะไรไมิจฉาสังกัปปะอ่าอันนี้แป๊บครเกิดดันที่สิบมิจฉาวหวจ่าพูดผิดเกิดด น, นที่ส1บเอ็ดมิจฉากรรมันตะ ทำผิดเกิดอันที่สองก็มิฉาอาชีวะใช้ชีวิตผิดก่อนเทอกทสามก็มิฉาวายามะพยายามผิดอันที่สิบสี่ก็เกิดเป็นมิฉาสติตั้งจิตผิดแล้วเกิดอนสิบห้า ก, ก็มิฉาสมาธิตั้งตั้งสมาธิผิดตั้งจิตผิดตั้งใจผิดเห็นหมสิบห้ารากทั้งหมด เฉพาะตัวอุเปเอนะทุกรรมสุขเวทนาอย่างเดียวนะก็ให้เกิดตัวทั้งอุเปขฆาวทนาโมหะถีนวิทะอุทาจาวิจิกิฉาสกยะทิฐิแล้วก็มามิฉามักมาจากอทุภะเวทนาหมดเลยเพราะมันกําเนิดมาจากตัวโมหะดังนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนอทุกรรมสุกจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุ หลงห ล, ลืมๆเนี่ยแต่ท่านเลียงไว้ตัวสุดท้ายเอาละทีนี้ถ้าสมมุติว่าอทุกขม์มาสุขเวทนามันเกิดฟิชายอย่างเงี้ยเรามาเจริญสติแล้วใช่ไหมพอมาเจริญสติยกไมย้ยกมือกําหนดตามรู้ตัวรู้รู้สึกตัวเกิดแล้วใช่ไหมตัวรู้สึกตัวเรามันเกิดความชํานาญเมื่อก่อนขยับไปเยี่ยนในรู้ตัวไหมไม่รู้ใช่ไหมมีแต่ปุ๊บปั๊บไปเลยถ้าหากว่าเราไม่รู้ตามนั้น เราพลิกไปเหมือนกันพลิกด้วยความไม่รู้เป็นสัญชตาตญาณหรือสติสัญชตาตญาณแต่เดี๋ยวนี้พอเราฝึกสติมากเข้าทุกวันทุกวันทุกวั น, ก, ว น, ก, วนการรู้ได้ไวขึ้นตัวสติสัญชตาตญาณเปลี่ยนมาเป็นตัวสติที่เป็นปัญญายาเรียกว่าสัมมาสตินั้นเมื่ออทุกขโมสุฏนาระหว่างที่เราเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากเข้าเป็นออกจากหายใจเข้า กับหายใจออกอันไหนเป็นสุขอันไหนเป็นทุกข์อันไหนเป็นสุขเวทนาอันไหนเป็นทุกข์เวทนาหายใจเข้าหายใจออกพิสูจน์หายใจเข้าก็หายใจออกอันไหนเป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เวทนาทดสอบทดสอบอย่ามั่วฮะหายใจเข้าดูหายใจออก หายใจออกจะเบาใช่ไหมหายใจเข้าจะหนักเพราะฉะนั้นจึงสมมุติว่าหายใจเข้าเป็นทุกขเวทนาหายใจออกเป็นสุขเวทนาทีนี้ช่วงระหว่างหายใจเข้าไปออกต่อกันก่อนมันเข้าไปก่อนที่มันจะออกเนี่ยมันเป็นยังไงจับอาการหนุนใหนูเอาใหม่ <c oughs> โอเวินหัวใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> เอามาก็หายใจธรรมดาใช่ไหมหายใจธรรมดาที่หายใจเข้าออกธรรมดา ถ้าเราไม่ตามรู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปหายะเข้าก่อนที่มันจะออกช่วงเชื่อมต่อระหว่างเข้าและจะออกตรงนี้เขาเรียกอาาุทุกขมสุกเวทนาหายใเข้าทุกใช่ไมหายใจออกสบายแต่ก่อนจะออกเนี่ยคืออะไรตามรู้ตรงนั้นไหมตรงนั้นเลยอุทุกขมสุขเวทานาเพราะอวเวลาบอกว่านั่งเนี่ยคือพอมันหนัก ไม่สบายใช่ไหมพอลุกสบายระหว่างก่อนที่จะลุกเนี่ยคืออะไรคือคือลุกมนแล้วเนี่ยบัญญัติว่าอะไรจะว่าสุขใช่ไหมจะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่สุ ข, ขก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็เลยอัจทุ ก, กมาสุขเวทนาถ้าใครตามรู้ตรงนี้ด้วยนะปัญญาเกิดปัญญาเกิดยังไงเพราะมันได้เห็นช่วงเชื่อมต่อที่ละเอียด พรเมื่อวานได้กล่าวว่าถ้าเรามีสติตามรู้ส่วนที่เป็นสุขเวทนาถ้าเามีสติตามรู้มันจะกลายมาเป็นศีลเพราะอะไรมันทําให้ร่างกายปกติศีลตัวศีลถ้าแปลโดยประมาติแปลว่าปกติถ้าแปลโดยสมมุติศีลธรรมแปลว่าข้อห้ามข้อยกเวน้นข้อสมาทานข้ออะไรก็แล้วแต่ละเป็นศีลตัวส่งสังคมศีล น, น, นะนะแต่ปรมาติศีลหรือ ประมัตศีลหรือศีลที่โดยประมัติแปลว่าปกติร่างกายปกติใจปกติเพราะฉะนั้นร่างกายกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันหนักมานานก็ เ, เปลี่ยนมาเป็นเบาอย่างนี้นะกลับปกติเป็นศีลทีนี้พอมีสติกำหนดรู้ทุกขเวทนาเวลาเรานั่งเอา <c oughs> ทีนี้บางงานบางงานเนี่ย เราจะเปลี่ยนปุ๊บๆ่านี้ไม่ได้ใช่มจะนั่งแช่พิมพ์งานทั้งวันหรือ่งเียหรือไปนั่งทำอะไรงานทั้งวันมันก็ปวดก็เมื่อยแต่ในฐานะที่เราจเจริญสติมาแล้วเนี่ยเราจะเกี่ยวข้องไอ้ตัวที่เราต้องทำงานนานๆอยู่ในอาการอันเดียวเนี่ยต้องเลื่อยไม้ใช่ไหมหยุดก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ขาดเลื่อยไม้นี่หนักที่สุด น, นะเลื่อยเหนื่อยก็ไหนที่อยู่ไม่ได้ทำงานทั้งวันที่อยู่ไม่ได้เราต้องใช้ถ้ามีสติเราก็กาหนดรู้ ตัวทุกขเวทนาจากการทำงานนี้เราเรียกว่าอะไรเรียกว่าคนนั้นมีความอดทนอาขันติปรมังตะโปติเตขันติคือความอดกัน้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสเพราะนั้นขันติก็เปลี่ยนตัวมาเป็นสมาธิคนที่มีขันติสูงหมายความสมาธิสูงเพราะนั้นทุกขเวทนามีสติกาหนดรู้กลายมาเป็นสมาธิเห็นไหม ทีนี้ทุกขมสุขเวทนาถ้าเราตามรู้ระหว่างสุขและทุกข์ให้ชัดเชื่อมต่อกันมันกลายมาเป็นปัญญาจากไตรลักษณและเวทนาทั้งสมมาเป็นเวทนาทั้งสามเวทนาทั้งสามเปลี่ยนมาเป็นตัวถ้าเราขาดสติมาเปลี่ยนเป็นราคะโทสะโมหะถ้าเรามีสติเป็นมาเป็นศีลสมถิปัญญาทันไหมทันนะเพราะฉะนั้นเราจึง จับตัวรู้ให้ชัดเจนยังไงเพื่อที่จะมาเปลี่ยนอาการทั้งสามเวทนาทั้งสาทีนี้ถามว่าเวทนาทั้งสาเกิดจากอะไรเกิดจากไตรลักษณ์ทั้งสามใช่ไหมว่าอา น, นิจังที่ว่าเมื่อวานอา น, นิจังมีมันก็เปลี่ยนมาเป็นสุขทุกขังก็เปลี่ยนมาเป็นทุกข์แล้วก็อนัตตามาเปลี่ยนมาเป็นอทุกข์มสุขเวทนาเนี่ยต้นกําเนิดมันถ้ามีใครเกิดดำริเกิด ถามขึ้นมาว่าแล้วตัวใจรักษเกิดจากอะไรอ่ะอ่าตัวนี้สําคัญพอเราบอกว่าใจรักษณ์มันก็ให้เกิดใจสี่ขาใช่ไหมใจสี่ขาก่อให้เกิดคุณธรรมฝ่ายกุศลทั้งกลาทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าตจรักษณ์ไม่ได้ถูกตามด้วยสติถูกตามด้วยอวิชชาคือขาดสติมันก็เปลี่ยนมาเป็นกิเลสทั้งสามอย่าง ก, กลางอย่างหยาบอย่างละเอียดแต่ถ้ามีคน คนหนึ่งมันมีอะไรแปลกกับเพื่อนมาถามว่าแล้วลักสามอย่างมันเกิดจากอะไรอ่ะตรงนี้แหละที่บอกเพื่อ น, ตนแต่แรกว่าใจรักสามอย่างนั้นเกิดจากการเกิดและดับเพราะมีการเกิดดับก็จึงเกิดใตรักสามที่สุดตรงนั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องจุตูปปาตญาเนี่ยจุติก็อุบัติคือเกิดก็ดับเกิดขึ้นตรงนั้นเพราะไปเห็นการเกิดดับของกายของวิถีนาของจิตของอารมณ์ปั๊บ ท่านก็หายสงสัยเลยอ๋อเป็นอย่างนี้เองก็รู้วิธีที่จะเอากิเลสออกจากใจแล้วถ้าเกิดรู้จักถ้ารู้จักการเกิดดับแล้วถึงจะไปรู้ว่าเราจะเอากิเลสออกใจใจของตัวเองได้อย่างไรตือเป็นอาสวะขา ย, ยายนก็เกิดขึ้นไงเพราะฉะนั้นพุทธิย้าท่านแต่สรู้แค่สามยานนะแต่เรามาขายายมาเป็นยานหกยานเก้ายานสิบหกอะไรไม่รู้มัวหรือเปล่ามาว่านะแต่ยานแท้ๆที่พุทธิย่าแต่สรู้แค่มีแค่สามยานแค่นั้นเองแล้วก็มีเหตุผลด้วยว่า ยานที่หนึ่งปูเพนิวาสานุนี่นยยพราเรารู้ว่าเราทุกมากี่พบ ก, กี่ชาติเนี่ยแต่เราไม่ได้สติเรากรทุกต่อไปเรื่อยเใช่ไหมเกิดลูกเกิดหลานทุกต่อไปเรื่อยเไม่ได้สติแต่พอมาวันนี้เกิดได้สติโอห์ทุกมาเฉอยพอเจริญสติไปเจริญสติมาเนี่ยมันมันเกิดจิตมันอะไรแหะมันรวมน า, นานไปนะเก็บอารมณ์ไปสี่วันยี่สิวันนั่นแหละเพงจะเป็นจิตพรอจิตมันรวมพอจิตมั น, วม น, วมนวรวมปั๊บจิตวืดกลับไปสู่อดีต มันไปเห็นตั้งแต่เราเกิดนู่นแหละแต่จะรู้ความแต่จะรู้ความมาถึงปัจจุบันเนี่ยย้อว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันเท่าไหร่นับได้ไหมไม่ได้นั่นเขาเรียกว่าอาศงไขยังไงนับไม่ได้แต่ว่าอสศงไขของตาําราย้อนตอ น, นก่อนเกิดก่อนที่จะมาเกิดโอ้ไปเกิดก็เกิดจุ ปู่เพย์เนว่าสัมผัสเจ้าไปรู้อดีตชาติเป็นหมื่นชาติแสนชาติตลอดชาติอย่างจริงสังวัตกับมิวัตกับไปนู่นเลยนะแล้วก็เหลือวิสัยเลยไปรู้งั้นใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกสิ่งที่ท่านตรัสสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้แต่สิ่งที่มาสอนทําไมอันนี้มันเลือดเหลือวิสัยเนีก่อนเกิดที่เราจะไปรู้ว่าแล้วได้งไงเนี่ม่เหลือวิสัยของเราแต่มันก็ไปขาดคำคำพูดของท่านว่าสิ่งที่เราต่าคตนํามาสอนทุกคนรู้ได้ เขาบอกเออเาบารามีไม่พอเราก็ยกยอดให้ท่านไปใช่ไหมที่เรารู้ไม่ได้เพราะบารามีแล้วไม่พออันนี้มันก็มั่วยเหมือนกันนะอ่าเพราะฉะนั้นตรวจสอบไปตรวจสอบมามันมีอะไรที่น่าสงสัยอยู่ที่มันขัดแย้งกันในตัวเอาละที่นี่มาดูเวทนาตัวนี้ <c oughs> ว่าอทุกขเข้ามาสุขเวทนาสิบห้ารากสุขเวทนาสิบห้ารากทุกขเวทนาสิบห้ารากทั้งหมดเท่าไหร่สี่สิบห้าราก ผูที่เลยต้องใช้เวลาถึง 45, สี่สพันศานี่ยมาสอนเรื่องนี้แล้วเราจะเอาพวกนี้ออกได้ยังเป็นเรื่องสําคัญนะตัวนี้อาุกข้สู่เวทนาเนี่ยเราจะต้องมาเจริญเปลี่ยนตัวอวิชาอาวิชาก่อนให้เกิดสังขารสองเกิดเข้าไปสู่เรื่องของปฏิสุบัติเลยทีเนี้ยมากําหนดตัวตามรู้ตั ว, ตวอวิชาตามรู้แล้วก็เปลี่ยนหัวข่าวบนเลยจากอาวิชาเปลี่ยนให้เป็นตัววิชาใช่ไหม รู้สึกอบวชศกลุกขึ้นมานี่ก่อนตัววิชาเปลี่ยนหัวขบวนเลยไ ม, ไม่ตรงปอกขยับตัวนี้มานิดคนทั้งนั่นนิดเดียวเอเอะเอะไรเมื่อมันตามไปตัดทีละลากเลยลากมันไม่ไหวอะ่ะใช่ไหมไปไล่ตัดลากมันร้อยลากพันลากเราก็ไปตัดต้นมันทีเดียวพอตัดต้นไม้ มันไม่งอกก็ตายใช่ไหมนั่นคือต้นมันก็คือหัวขบวนจัดอวิชาเปลี่ยนให้เป็นวิชาใช่เปลี่ยนยังไงจากการที่เราไม่รู้ตัวก็เปลี่ยนให้มันรู้ตัวใช่แค่นั้นเองก็มันรู้สึกตัวทีนี้ไอ้ทำความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีหลายระบบรู้สึกตัวแบบสะกดจิตรู้สึกตัวแบบหยุดคิดรู้สึกตัวแบบหยุดอารมณ์ทุกอย่างเขาเรียวกวา่าภาวนาสมถภาวนาแต่รู้สึกตัวแบบใช้วิธีการผ่อนคลาย แทนที่เราจะนั่งไปสักสองชั่วโมงเรามันรู้สึกว่างเบาสบายใช่ไหมเราไม่ต้องรอถึงสองชั่วโมงอ่ะก็หนักก็เปลี่ยนแค่แนั้นเองก็จบภายในไม่กี่วินาทีเป็นวิปัสนาวิปัสนารูกผลทันทีแต่สมาธิจะไปรูุผลต้องนั่งจนกระทั่งเอเ ด, อเดฟินมันหลังแล้เบาทั้งตัวแล้วก็ไปสําคัญมันหวเออสมาธิสูงนะนั่งไปแล้วไม่เจ็บไม่ปวดหลายชั่วโมงเลยทีนี้แต่หารู้ว่ามันเป็นหลังสารเอเดอฟินในร่างกายมันเป็นผลของกายภาพ แต่เราไปสำคัญมันหมายว่าเออเราได้สมาธิสูงละมันก็เป็นสมถะแต่พอมาใช้วิปัสสนาเนี่ยให้แก้ตามเหตุตามผลเป็นหลักของวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าในสมถนะมันมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสยาศาสตร์เพราะเราติดตามลายละเอียดมันไม่ได้ข้อมูลไม่ครบเขาเรียกว่าตามรู้ลายละเอียดมันไม่ได้ ดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะมาเจริญตัววิชาได้อย่างไรอ่าตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ล้วที่จะไปดับเวทนานะอันนี้เป็นเรื่องของที่จะดับเวทนาเปลี่ยนตัวอาวิชาให้เป็นวิชาได้ทําได้ง่ายไหมแต่ว่ามิจฉามักทั้งสิบยังทั้งแปดอย่างไม่ต้องอธิบายในระายละเอียดมันเยอะเวลาเราไม่พอให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน ว่าตัวอวิชาจะเปลี่ยนวิเป็นวิชาได้ยงไงสนใจน่าสนใจไหมน่าสนใจนาจะมาเปลี่ย น, เ ป, น, เ, ปนเป็นวิชาได้ยงไงเปลี่ยนเป็นวิชาอ่ารูขบวนการเปลี่ยนมันแต่ในเวลาปฏิบัติมันง่ายนิดเดียวแค่ว่าหลงก็ทำความรู้สึกตัวก็เปลี่ยนได้แล้วใช่ไหม แต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยโยมทําไมไม่เปลี่ยนล่ะก่อนท่านที่จะมาฟังมาเรียนเรื่องนี้โยมทํำไ ม, ไมเปลี่ยนใช่ะทําไมต้องให้อาจารย์มาบอกด้วยอ่ะขาดอะไรขาดผู้รู้ที่จะมาบอกขาดหนึ่งขาดอะไรกริยาณมิตร อ, อ่านี่นะองค์ประกอบของวิชากําลังเกิดนะหนึ่งกัลยานามิตรต้องมีครูบาอาจารย์มาบอก อย่างพระอาจารย์พระกรรมฐานอะไรหรือเพื่อนของเราที่ปฏิบัติมาไม่จำเป็นต้องเป็นพระนะอย่างโยมไปปฏิบัติมาจนชํานาญแล้วก็บอกให้เพื่อนโยมก็เป็นกัลยาณมิตรได้ใช่ไหมเพียงแต่บอกว่าให้รู้สึกตัวนะก็บอกกันได้แล้วแต่ว่าก่อเราจะบอกกันได้อย่างเราต้องผ่านหนึ่งครูอาจารย์มาก่อนกัลยาณมิตรทําให้เกิดอะไรพระพุทธเจา้าตรัสว่าทำสองประการถ้าขักใครสมท า, านแล้วคนนั้นก็จะได้รุ่งอรุณแห่ง มักผลทําสองประกานั่นแหละแก่เลยหนึ่งกระไรนมิตรหรือปรตโฟยสักองโยนิโสมานัสิการถ้าเราไปเมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยไปเมืองนั้นเลยนะไปถึงกลางคืนพอตื่นมาเราจะรู้ไหมว่าที่ตะวันออกอยู่ทางไหนที่ตะวันตกที่เหนือที่ใต้อยู่ในรู้ไหมไม่รู้พอสว่างขึ้นมาเราอยากจะรู้ว่าทางไหนเป็นที่ตะวันออกเราดูที่ไหนมันขึ้นตรงไหน ตรงนั้นพอกําหนดว่ารู้ทิศตะวันออกปั๊บเนี่ยเรารู้ทิศตะวันตกได้ไหมที่เหนือที่ใต้ได้ไหมฉันใดก็ดีมันบอกว่ากเรยนามิตรและโยนิโสมันในการเป็นลุ่งอรุณแห่งมรผลหมายของว่าถ้าได้รู้จักลุ่งอรุณตัวนี้ปั๊บเนี่ยที่มาแห่งมรผลมาละเหมือนกับรู้จักที่เหนือที่ใต้ทิศตะวันนออกเพราะรู้จักทิศตะวันออกก่อนเพราะสัญญาณของพระอาทิตมันบอกว่าแสงเงินแสงทองขึ้นทิศตะวันออกรู้ว่าตรงเนี้ย เป็นทิตฐมันออกชั้นใดก็ดีกริยานิมิตรและโยนิโสมนัสสิการเป็นแสงเงินแสงทองแห่งมรรคและผลเป็นปุพานิมิตรแห่งมรรคและผลเนี่มเริ่มต้นเดวิชาอุประกอบที่หนึ่งเลยใช่ไหมเอาละทีนี้พอเจอกริยานาภิมิตรเนี่ยเราได้อะไรจากท่านหนึ่งเราได้ยินได้ฟังเรียกว่าได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาขั้นที่หนึ่งเรียกว่าอะไรสูตระมายาปัญญาอ่า ถ้าฟังอะไรก็ตามถ้าไม่เกิดปัญญาหลวงพ่อเทียนก็อย่าไปฟังเสียเวลาฟังฟังแล้วต้องให้เกิดปัญญาใช่ไหมพูดต้องให้เกิดปัญญาถ้าพูดแล้วไม่เกิดปัญญาพูดไปก็เหนื่อยเปล่าฟังแล้วต้องให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาเรารู้ได้ไงฟังแล้วเกิดปัญญาพ่อมันจะเกิดปัญญาทุติสองเรียกว่าเกิดอะไรคือฟังแล้วได้ข้อคิดอ่ะเรียกว่าจินตามยปัญญา จินตา ม, มยายะฟังแล้วได้คิดเออใช่นะเมื่อก่อนเราไม่เคยฟังนะเออมันจริงไหมเริ่มใคล้ครๆขวนแล้วใช่ไหมเริ่มพิจารณาพอได้คิดเ อ, อ้มันคิดเฉยๆลองเอาไปทําดูไปนั่งสร้างจังหวะตอนแรกฟังแล้วว่าเออทํานี้มันจะรู้สึกตัวมันไม่พอเลยใช่ไหมเราไปนั่งสร้างจัหวะดูต้องไปเดินจงกรมดูกลับไปกลับมาเออจิตมันกลับมาอยู่ปัจจุบันได้นี่เมื่อก่อนมันไหลไปแต่ความคิดใช่ไหมตอนที่ไม่รู้สึกตัวไหลไปความคิด เอาไปทําดูพอทำแล้วเข้าใจเกิดปัญญาตัวที่สามเรียกว่าอะไรภาวนามยียปัญญานี่ถ้าเราเจอการยนานมิตรที่แท้จริงต้องเกิดปัญญาสาประการนี้ถ้าไม่เกิดปัญญาสาประการนี้คนนั้นจะถือว่าเป็นการยาณมิตรยังไม่ได้นะเป็นเพียงแต่การยานสหายนะการยาณมิตรกัรยาณสหาย ที่ในตัวกัลยาณมิตรเขงบอกว่าผู้ใดก็ตามเจอกัลยาณมิตรกัลยาณสหายเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีกัลยาสหายก็คือพวกเราเนี่ยนั่งมาปฏิบัติในกัลยาสหายอาจมาเป็นกนัลยาณมิตรเนีนะอยู่เป็นกัลยาณสหายแต่มาได้สิ่งแวดล้อมที่กัลยาณสัมปวังกตาได้อาหารที่ดีได้อากาศที่ดีได้ความสงบเงียบที่ดีได้พระสงฆ์ อ, องค์เจ้าเพื่อนร่วมที่ดีเรียกว่ากัลยาณสัมปวังกตานี่ได้สามา น, นั้น ทีนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังเกิดข้อคิดเอาไปพิสูตรรู้เรื่องได้มันเกิดถึงจะเกิดตัวที่สองคือศรัทธานี่คือในพุทธศาสนาต้องเริ่มต้นด้วยปัญญานะในมรรคอะสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมมารเริมด้วยปัญญาแล้วศรัทธาถึงจะเกิดแต่ทั่วไปมันมีศรัทธาก่อนใช่ไแต่ในที่นี้ในพุทธศาสนาไม่ใช่ศรัทธามาทีหลังแต่ปัญญาต้องมาก่อน เพื่อนมิมมต์วีองแปดเนี่ยในสมาธิฐสมาสวัสดิเปิโองคของปัญญาสมาวาจาสมากัมมันตาสมาอาชีวะป็นองค์ของศีลสมาวายามะสมาสติสมาิเปิโองค์ของสมาธิเพราะในภาคปฏิบัติปัญญาต้องมาก่อนและปัญญาจะมาจากใครอะมาจากกะเรณยนมิตรอ่าฉะ น, นั้นพุทธเจ้าว่าผู้ใดได้เราสถาคตเป็นกะเรียนมิตรแล้วผู้นั้นจะพ้นจากความแก่ความเกิดความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ค, ความตายได้ ท่านบอกนะทีนี้เมื่อเราเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยศรัทธานั้นศรัทธาในหลวงพ่อหลวงพี่ศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในมหาศรัทธาในเจ้าคุนเนี่ยศรัทธาแบบนั้นไหมศรัทธาในหลวงพ่อครูนี้นะศรัทธาในรูปในเหรียญศรัทธาในครูอาจารย์ใหญ่ๆสศรัทธาแบบนั้นไหมศรัทธาในสำนักกรรมฐานศรัทธาในคำสอน ที่มหาเชจันสอนได้ละเอียดทีท่วนศรัทธาแบบนั้นไหมไม่ใช่เพราะนั้นจะมีข้อจำกัดว่า definition ศรัทธาที่จะเป็นศรัทธาในพุทธศาสนาต้องประกอบด้วยหนึ่งอะไรอันนี้ข้อย่อของมันนะประกอบด้วยหนึ่งกรรมศรัทธากรรมศรัทธาคือเชื่อมั่นและพอใจในการกระทำของตนเอง ถ้าเราศรัทธาในคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นใช่ไหมแต่เราต้องศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเป็นซ e l f confidence ตัวนี้นะเป็นซ e l f confidence เมื่อเราเรามานั่งทําภาวนานะเป็นกรรมศรัทธาเราทําเองเนี่ยเรายกมือเองเลยโยกมือเองใช่ไหมเราก็มั่นใจศรัทธาในการที่จะทําแบบนี้ว่าทำแล้วมันรู้เนื้อรู้ตัวสองเมื่อทําเราเห็นผลได้ไหม สร้างจั่วะยกมือมาสองสัปดา์อะไรเกิดบ้างความรู้เนื้อตัวเกิดไหมออกกําลังกายมาสองสัปดา์เกิดอะไรบ้างความรู้เนื้อเด็กเกิดไหมเกิดนั่นเป็นผลใช่ไหมนั่นเราศรัทธาอันที่สองก็คืออะไรกรร ม, มวิปากะศรัทธามาแล้วพอเห็นผลแล้วผลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ตกกับใครโ ย, ยมแทน ยมรักแม่รักพ่อมากที่สุดยมทำแล้วจะเผื่อให้พ่อแม่มารู้กับเราด้วยได้ไหมไม่ได้รดเราทำเรารู้เราไม่ทำรู้ไหมไม่รู้ตรงนี้เขาเรียกว่าเกิดกรรมที่สามขึ้นมาเรียกว่าอะไรกรรมสกตาสาัทาสกตานะสัทธาอ่าผลที่ได้เนี่ยต้องตกเป็นของตนเองเราจะรักใครบูชาใครขนาดไหนก็ตาม ทำแทนกันไม่ได้ตายแทนกันไม่ได้เจ็บแทนกันไม่ได้ทุกอย่างต้องตรวจกับตัวเองแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยศรัทธาทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเกิดจากที่ไหนต้องเกิดจากอันที่สเกิดจากผู้รู้แต่ผู้รู้มีสองประเภทหนึ่งผู้รู้ที่คิดเอานึกเอาใช้ปัญญาที่เป็นจิตตามมยปัญญาหลักปัญญาดักิีติวยาก็เป็นผู้รู้เหมือนกันใช่ไหม นักปาาราชญ์ศาสดานักปราชญ์ทั้งหลายเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เป็นผู้รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่ท่านเหล่านี้ได้จัดสรู้ไหมความรู้เหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการจัดสรู้ความรู้นี้เกิดจากจินตามยปัญญาแต่เราต้องเชื่อปัญญาของผู้จัดสรู้เพราะผู้จัดสรู้กับผู้รู้เนี่ยต่างกันนะผู้รู้คิดโดยจินตามยปัญญาแต่ผู้จัดสรู้จัสรู้จากภาวนามยปัญญา เราเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าตรัษฐานะขตภูติสัทธาอันที่สี่ตรัษฐานะขตภิสัทธานี่ใช่ไหเพราะฉะนั้นในสัทธาต่อพระศาสนาในศาสนาพุทธเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยสีหลักอันนี้ไม่ใช่สัทธาทั่วไปที่เรามีกันสัทธาทั่วไปนี่มีการถูกกล่าวหาว่าเป็นสัทธาที่งมงายใช่ไหมสัทธาที่ b ล i g h ์เฟสอ่ะอ่ะนะแต่อันนี้จะเป็นตัวสถาที่เป็น Wisdom f a น i ะ t อ่าเป็นวิสธรรมเฟสหรือเป็น Insight เ a สเฟเนะถาเราเชื่อความรู้ที่พระตถาคตที่พุทธเจ้าตัตัสรุมาว่าความรู้ที่จะมาปฏิบัติเนี่ยมันเกี่ยวกับข้องของกับตัวเองถ้าเราจะไปเอาความรู้ของคนที่คิดมาเราคิดได้ใช่ไหมเราคิดได้ แต่การตัสรู้เนี่ยไม่ใช่โดยผ่านความคิดผ่านกันอะไรผ่านการภาวนาเพราะนักคิดทั้งหลายนี่เขาไม่ต้องภาวนาให้ยากหรืใช่ไหมเขียนหนังสือมาสิบเล่มยี่สบเล่มก็เป็นนักคิดได้นักปราชได้แต่ไม่ใช่นักภาวนาเพราะฉะนั้นเราจึงมาภาวนาเพื่อให้ได้ปัญญาตัวนี้ไงได้ทักษะคถาคตถาพูดที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นใน วิชาอันที่หนึ่งพบกเรียนมิตรเกิดปัญญาสามปการเมื่อเกิดปัญญาสามปการแล้วเกิดความศรัทธาในใครไม่ใช่ในกเริยานมิตรนะในใครในตัวเองในการกระทําของตัวเองในผลของกรรมในผลที่ได้เป็นของเราแล้วก็แล้วก็ศรัทธาในคําสอนผู้นิจาคือศรัทธาคตะพุทธิศรัทธาเราจะไปศรัทธาคําสอนในพระอันเลาะไม่ได้เราศรัทธาใน คิสนีก็ไม่ใช่ละแต่ต้องเป็นตถาคตโพธิสัตห์เมื่อไปยังเกิดสัตห์แล้วอันที่สมของวิชาก็คืออะไรอันที่สเกิดได้คิดโอ้ยเราไปอยู่ที่ไหนอายุป่านนี้แล้วเพิ่งมารู้เรื่องนี้คิดอย่างนั้นไหมเราน่าจะรู้เรื่องนี้ตั้งนานถ้าเราเกิดมาได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกเราไม่ต้องมาแต่งการแต่งงานมาทํามาหากินรับใช้ซึ่งกันและกันให้ทุกอย่างเนี้ยใช่ไหมแต่นี่เราหลงมาได้ไงได้คิด เรียกว่าเกิดสติสัมปชัญญะข้อที่สอ่าเกิดสติสัมปชัญญะได้สติกำลังได้คิดนะข้ามานั่งวันนี้ได้คิดแล้วใช่ไหมโอ้รู้อย่างนี้กูปฏิบัติตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเด้ลมันหลงมาตั้งนานหลงเรื่องลูกตกเป็นทาสของผัวของเมียกันมาตลอดชีวิตเนี่ยหลงไปได้ไงไม่ได้คิด พอวันนี้ได้เคิดได้สติชำญะพอได้สติสัมปชัญญะแล้วมันพิจารณาถึงเหตุถึงผลของชีวิตได้ชัดเจนขึ้นจึงเกิดข้อที่สี่ข้อที่สี่คืออะไรโยนิโสมนสิการนมาแล้วโยนิโสมนสิการนี่คือองค์ของอาการบรรลุ ธ, ธรร ม, มาแล้วใช่ไหมกัลยาณมิตรข้อที่หนึ่งข้อที่สโยนิโสมนสิการ หมายความว่านอกจากเราฟังแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเราพบกิริยานิมิตเราได้ห้าสอร์เซนะหมายความได้ความรู้ห้าเอร์ซเราเอาไปทําอย่างถูกต้องคือต้องมียมยุนิโสอของเราเองอีกห้าสอซอ่าอาตมาทําหน้าที่เป็นกิริยานิมิตทําหน้าที่ครบท่วนทุกอย่างแต่ถ้าโยมไม่ได้เอาไปไข่ควรพิจารณาทําตามได้ประโยชน์ไหมได้ได้เท่าไหร่ห้าสเอร์ซแต่ยมเอาไปทํา เปอร์เซ็นหลังเนี่ยจะร้อยถ้าอีห้าสิบเนี่ยจะได้หมดไม่หมดอยู่ที่ว่าเราทำถูกหรือทำผิดบางทีทำนะสร้างจากว่าเลยโยงกันแต่มันไม่ถูกเพราะไม่ถูกมันก็ไปอยู่กับความเพลินใช่ไหมไปโย่ความสนุกสนานไปติดในฤทธิ์ในเดชได้ปฏิหารในมิตรสีแสงอะไรต่างๆไปนู่นเลยไม่ถูกแล้ว แต่ทําแล้วยิ่งทํายิ่งรู้สึกตัวยิ่งทำแล้วยิ่งเห็นความคิดยิ่งทำแล้วเห็นความผิดของตัวเองเห็นความพลาดเห็นความไม่เอาไหนของตัวเองเราเริ่มแก้ไขตัวเองแต่เมื่อก่อนมันมันทำไม่รู้สึกตัวเกิดอะไรขึ้นเราแก้ไขใครใแก้ไขคนอื่นตาหนิคนอื่นชี้ไปคนอื่นอแก้ผิดฉันถูก <laughs> แต่พอมันเริ่มเห็นตัวมันชี้กลับเข้ามาใช่ไหมเออฉันผิดเอง อชี้ไปหนึ่งมันสาสี่เดียวมันกลับมาหาตัวใช่ไหมนั่นอันเดียวเขาว่ากันอย่างงี้เพราะฉะนั้นพอโยนิสงมนิการมากเขายิ่งเห็นความชั่วของตัวเองมากขึ้นตรงนั้นแล้มันจะคลายเพราะฉะนั้นเวลาพระอิโยมที่ปฏิบัติได้อารมณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะสำลอกออกมาหมดว่า ฉ, ฉันโง่มาอย่างไงฉันผิดมาังไงระบายออกมาหมดเวลาเราไปฟังรายงานตอนที่เขาปฏิบัติได้ผลนะ เขาลงดับความความความชั่วของเธอเองได้ได้ให้เราฟังเลยล่ะโดยไม่อายเลยล่ะแต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่กลา้าเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นทําตรงนั้นยังไม่ขายขี้พื้นตัวเองให้คนอื่นรู้นี่ไม่ก ล, าล้าหรอกใช่ไห ม, ขมเาขานนี้ก็ยังงงเอาคนนี้ก็ยังงงอยู่แล้วงงอยู่เลยภาษาชาวบ้านนี่พอไหวอยู่พอไหวแต่อันนี้เป็นหลัก <c oughs> ว่ามันมีหลักการ <c oughs> ไม่ใช่มัว่วจะยกหลักการมาให้ฟังว่าไม่จําเป็นต้องรู้หรอกพวกเนี้ยหลายคนชาวบ้านนั่ง<ๆ>แต่ว่า แต่ว่าที่ยกมานี่เป็นหลักวิชาการมาบอกว่าเรียนทั้งปริยัติปฏิบัติไปในตัวไงไม่ต้องไปเรียนใน3าปีหปีเหมือนพระท่านเรียนแค่วันเดียวจบเราไปปฏิบัติได้เลยอ่ะนะที่นิยมที่สมนิยการเอ้พิจารณาแล้วเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็ น, ลห น, น, หนปลายมันจะต้องมีอะไรเกิดอันที่ห้าขึ้นมาเรียกว่าเกิดการระมัดระวัง พรเมื่อก่อนที่จะทําอะไรไม่ระมัดระวังจะพูดก็พูดไปเลยใช่ไหม mm hmm. จะคิดก็คิดไปเลยจะทําก็ทําไปเลยขาดสติพิจารณาไม่ได้โยนิโสจะฉันก็ฉันไปเลยไม่ได้โยนิโสแต่เมืเดี๋ยวนี้เราต้องนูฉันแล้วต้องโยนิโส ก, ก่อนใช่ไหม mm hmm. ต้องพิจารณามันเกิดการระวังกายว่าใจใจเรียกว่าอินทรีย์สังวร อ่าอิสีสังวรคือสํารณ์อิสีสํารณ์กายตาหูจมูลิษกายใจสํารณ์กายวาจาใ จ, ใจคือระพัดระวังเมื่อก่อนนี้พอหลังจากคนที่เข้าใจธรรมะจะเป็นคนสงบขึ้นใช่ไหมเป็นคนนิ่งขึ้นเป็นคนพินิษฐพิจารณาอะไรได้ลึกขึ้นจะพูดจะจาอะไรเนี่ ย, ยพูดน้อยลงพูดน้อยลงพูดมีสาระพูดในสิ่งที่มันเป็นจริงที่มันน่ารักใช่ไหม แต่ว่าเราก็ ย, ยังทําไม้ค่ได้บางคนเพราะคนไทยเรามันชอบพูดเพราเราประเภทอะไรท็อกเกตีพอดนะเลลิเออลืมเพลินเพราะเราขาดอะไรขาดโยนิโสคือไม่ได้ใคร่ครวนซะ ก, ก่อนนิสสามารถกลางสยโยไม่ได้ไข่ครวนซะ ก, ก่อนแล้วจะพูดจงทำํำจงคิดมันจะไม่เกิดอินทรีย์ังกวนไงวิชามก็ไม่เกิดเอาละสมมุติว่าเราพิจารณาก่อนพูดก่อนทํำก่อนคิดได้ระดับหนึ่งมันก็เกิดตัวที่6ขึ้นมาก็คือตัวอะไร สุจริตสามอ่าสุจริตสามคือหมายความว่าระวังกายการกระทําให้เมื่อก่อนจะทําไปรื่อเบื่อเดีย๋ยวนี้ระวังมันก็ถูกต้องขึ้นใช่ไหมทาถูกต้องขึ้นระวังวาจาเมื่อก่อนพูดจะพูดตพือไปไม่ได้สํารวจตรวจสอบว้สิ่งที่พูดจะใช่หรือไม่ใช่ก็เป็นวชีไม่ถูกพอมาสํารวมระวังคัดเลือกพิจารณาก่อนพูดก็เป็นวชีสุจริตได้ละ อ่าแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมีหน้าที่คิดฉันคิดเขเลื่อยเปื่อยของฉันพอมารู้วันนี้โอ้ความคิดมันเลื่อยเปื่อยไม่ได้นันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งต้องประหยัดความคิดคิดออกมาต้องมีสติก่อนถ้าหากว่ามีไม่ได้ตั้งสติก่อนไม่ยอมคิดถ้าคิดไปแล้วมันเสียมันเสียอะไรเสียพลังงานแต่เราหารู้ไหมว่าจิตเป็นพลังงานอันใหญ่หลวงแต่เราก็ใช้เลื่อยเปื่อยทั้งคืนทั้งวันใช่ปล่อยให้มันคิดคิดคิดคิด แต่หลังจากมาเข้าใจนี่แล้วเรามารู้จักประหยัดความคิดแล้วจะคิดอะไรสักอย่างตั้งสติถ้าไม่ตั้งสติก่อนไม่ยอมคิดให้รู้สึกตัวนเฉยๆเก็บพลังเอาไว้มันก็กลายเป็นปัญญาใช่ไหมนั่นก็คือเกิดสุจริตสามกายวายใจใจถูกต้องขึ้นเมื่อเกิดสุจริตสามแล้วพร้อมไหมที่จะเจริญสติปัญญานพร้อมไหมมีความพร้อมเลยเนะี่ยที่โยมมาที่เนี่ยไม่ได้ประพฤติผิดกายวายใจไม่ได้ประพฤติผิดศีลไม่ได้พฤติผิด ศีลดั้งศีดแปล้วมาอยู่นี่บริสุทธิ์หมดใช่ไหมเพราะนั้นตัวสุจินีสามาจากอีสีสังวรก็ได้มีศีนสุจินีสามได้มีสมาธิมันก็เกิดตัวปัญญาที่จะทําสถิติประฐานสีได้แล้วเกิดสถิติประฐานสี่สถิติประฐานสี่เกิดแล้วตัวที่เจ็ดเพราะนั้นการว่านั่งเจริญสถิติปัะธานเราต้องสํารวจว่าตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมาถึงข้อที่6เนี่ยเรามีพร้อมหรือยัง มีพร้อมใช่ไเลือกเกิมาเกินสติมันก็ได้ไวมาคนมาทำสามวันรู้เรื่องแล้วมาคนเจ็ดวันรู้เรื่องมาคนสามปีเจ็ดปียังไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรเพราะฐานทั้งหนึ่งถึงหมันไม่มีใช่ไหมพอเจริญสติฐานสี่อย่างถูกต้องเกิดอะไรเกิดข้อที่แปดเกิดโพะเกิดโพุทชงเจ็ดพุทธชงเกิดแล้วพุทธชงที่ว่ามันไม่คืนวาสติสัมพุทธชงได้แก่อย่างไรใช่ไหมว่าองค์ของการรู้ตัวเนี่ย ตื่นตัวรู้ตัวมาละมีสติรู้ตัวตื่นตัวสติสัมโพชงเมื่อรู้สึกตัวแล้วเป็นไงดูกายตัวเองเป็นหนักเป็นยังไงเกิดเป็นยังไงหายใจเข้าอ อ, อกไปยังไงใช่ไหมเดี๋ยวใช้อะไรขวาเมื่อเกิดไม่รู้ตัวนะพอรู้ตัวเป็นสติสัมพชงเกิดสำรวจตัวเองขึ้นมาหนักไปยังไงเบาไปยังไงไปเมื่อก่อนไปก็ไปเลยไม่ได้กำหนดรู้ตามใช่ไหม นั่งก็นั่งเลยลุกก็ลุกเลยไม่ได้มีสติสัก่อนธรรมวิจัะก็ไม่เกิดคำว่าธรรมวิจัะไม่ใช่เป็นนั่งคิดนั่งตองในเรื่องคำสอนของพุทธเจ้าธรรมวิจัยคือพิจารณาสภาวะธรรมทีก่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในกายของตัวเองเป็นธรรมวิจะัะคือพิจารณาอนนี้จังทุกขังหน้าตานั่นเองแต่พิจารณาอันนีจังทุกขังได้อย่างไม่ใช่ข้างนอกนะดูว่านั่งขณะดนี้เห็นอนนี้จังไหมหนักหรือเบาเข้าหรือออก การที่ไปเห็นสภาวะที่กําลังเกิดตั้งอยู่ดับไปแต่ลรแต่ละเวลาตรงนั้นก็เลยเห็นสภาวะธรรมที่เป็นธรรมวิจยะดูไปดูมานานๆปรับไปเปลี่ยนมาให้มันสบายก็เป็นวิญญาตสัมโพชงปีติสํมพงไปเรื่อยๆทั้งควบทับ้งจิตที่ว่ามัมือคืนนะทีนี้เมื่อสติสัมโ พ, พชงมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรอันที่เก้า อันที่เกก็เกิดเป็นอะรู้จักอริยสัจละอ้สสีทำได้อ่าจากอิสสีมักมีองค์แปดมาที่เก้าแล้วถึงจะมาเกิดคำว่าวิชาและวิมุตติอ่าวิชาและวิมุตติมาด้วยกันเลยสองตัวเนี่ยรู้ตัวเมื่อไหร่วิมุตติได้ทันทีมันง่วงทำให้วิมุตติได้ไหมต้องหลุดพ้นทีละนิดก่อนนะ วันนี้ง่วงหลุดพ้นความง่วงได้ไหมวันนี้เบื่อทําให้เบื่อหายไปได้ไหมถ้าเบื่อหายไปได้หลุดพ้นความเบื่อได้ยงังก่อนที่จะมันจะเป็นสมุเฉตวิมุตเนี่ยมันจะต้องเป็นคณิกาวิมุติวิขัมพนมวิมุตคือว่าพ้นไปทีละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างจนชํานาญเบื่อพ้นจากความเบื่อได้ไหมเบื่อกี่ครั้งพ้นแก้ได้ทุกครั้งก็หลุดพ้นได้ทุกครั้ง قة. คิดกี่ครั้งแก้ได้ทุกครั้งก็หลุดจากพ้นจากความ คิดได้ขนาดั้นเอาวิมุตต์เล็กๆ น, น้อยนี่ให้เป็นเสื้อก่อนใช่ไหมถ้าเราเอาตัววิมุตต์เล็กๆ น, น้อยไม่เป็นจะเอาวิมุตต์ใหญ่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เบื่อก็แก่ไม่ตกเซ็งก็เกลือไม่โตกขี้เกียจก็แก่ไม่โตกคิดฟุ้งซ่านก็แก้ไม่โตกแล้วจะเอาอะไรมาวิมุตต์อ่ะใช่ไหมมันก็ไปของมันเรื่อยๆก็ปฏิบัติมรรยา้างไงอ๋นงอนั่งคมมาเมืเ่อไหร่เพิ่งเห็นหน้าเจ้า อ่ามาชมาช่างงานนี่อืมเพราะฉะนั้นเราพู้ที่เรยนท่านสอนได้หมดแต่เราเอามาใช้ไม่ถูกเฉยแต่พระที่ท่านไม่แจ้งเรื่องนี้ท่านก็พูดไปตามหลักวิชาเราก็าไม่เข้าใจอยู่ดีแค่จะมาโยบแค่นี้อยู่ก็งงแล้วใช่ไหมแต่ก็ต้องมากระจายมาอธิบายให้ชัดว่าในภาคปฏิบัติเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวิชามันเกิดเพราะต้องตามหลักๆนีท้ทั้งหมดทั้งหมดเสียก่อนเราจะเปลี่ยนตัว นั่นหมายความว่าตอนแรกๆเนี่ยอันนี้มันเป็นวิชาครบโทนใช่ไหมเราก็เอาวิชาเล็กๆนึงไว้ใช้ก่อนวิชาที่รู้สึกตัวเนี่ยวิชาใหญ่ที่มันจะครบได้ต้องทําไปตัววิชาไปทีละทีรู้ตัวทุกวันทุกวันวิชาเมื่อเกิดทุกวันพวกนี้มันก็จะเกิดพร้อมของมันเองนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนักใจโอ้ยมันมากันนี้ฉันจะทําได้ไงไม่ต้องบันไดมันสิบขั้นจะขึ้นขั้นเดียวโดดขั้นที่สิบได้ไหวไหมมันก็ต้องขึ้นไปทีละขั้นละขั้นน่ะ ก็ให้รู้ตัวไปเรื่อยๆขึ้นบันไดถ้าสมมุติว่าเราจะต้องบันไดไต่บันไดตัวรู้ถึงพันขั้นเนี่ยมันก็รู้ไปถึงร้อยรู้พันรู้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะได้เป็นแสนรู้น่ย น, นะถ้าเราจะทําตามมันเลยใช่ไหมนี่ยกมือเกาหัวเนี่ยรู้ได้ไหมยกมือเสียผมเนี่ยรู้ได้ไหมแล้วทําไมไม่รู้อ่ะมันไปเลยใช่ไหมอ่านั่นเพราะตัวรู้เรายังไม่ไม่มากพอไงเออ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องศรัทธาจริงๆที่จะทําได้ถ้าไม่ศรัทธาจริงๆเออใครจะมาสอนแม้พระพุทธเจ้ามาสอนพระพุทธเจ้าเจอใครตอนแรกที่ไปไปหาเป็นเจ้าพิธีทั้งห้าไปเจอใครอุปการชีวกใช่ไหมทั้งๆที่อุปการชีวกได้่ตามหาพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้าในหัวของเขาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าต้องเป็นคนยิ่งใหญ่คนวิเศษคน เรียกว่าในห่วงเขาเขาตามหาพระพุทธเจ้าองค์นั้นแต่ไปเจอในสวนทางกับพระพุทธเจ้าเท่า น, นั้น ก, ก้ไปไปสีปัฒนะมัคคายวันะไปเจอเอ๊ะพระองค์นี้หน้าตาของใสมาจากไหนเดินสำรวมแล้วเขาไปถามท่านมาจากไหนามาจากนู่นใครเป็นอาจารย์ของท่านไอ m อมเอาเวกินวันฉันเป็นสยามภูพอเจอเขาคำนี้นะ เป็นช่างท่านคือหมายความว่าทําไมพระุทธเจ้าจะมาเดินตอกแตกแตอแตกประเภทนี้และพระพุทธเจ้าจะต้องอยู่ในฝูงชนที่ยิ่งใหญ่มีคนห้อมล้อมเยอะแยะใช่ไหมในภาพในภาพของเขาเน่ะแต่นี่พระพุทธเจ้าก็เดินซอกซอกตามป่าเนี่ยเป็นพระเจ้าได้ไงก็ดูน่าตาเรื่องสเดียแต่ว่าบอกว่าคําว่าสยามภูในสมัยนะั้นไม่ใช่ธรรมดาเท่าประกาศว่าฉันเป็นศาสดาเองที่เราไปเจอไม่ใช่หรอกแลบนี้แล้วก็ไปเลยถ้าไปเจอพพุทธเจ้าตัวจริงนะ แรับได้ไหมเราเพราะพรุทธเจ้าที่คิดเองกับพระพุทธเจ้าที่จริงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยังนั้นพอเจออุปกาชีวกก็ไม่เอาไม่ใช่จะเจอพรุทธเจ้าเลยจะได้ทําทุกคนไม่ใช่บางคนเจอแล้วก็แลบลิ้นปินตาใส่เลยนะดังนั้นอันนี้ก็เช่นเดียวกันตัวพุทธภาวะที่เราพบในตัวของเราเนี่ยเราจะต้องทนุถนอมดูแล ไม่ต้องไปรู้เรื่องเหล่านี้ที่มาพูดมาทั้งหมดก็ได้แต่ฟังกันแล้วเข้าใจแล้วทาเลยนะแต่ว่าศรัทธาที่จะทำเนี่ยมีมากแค่ไหนศรัทธาที่ถูกต้องนะัทาสี่อย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ขาจนชำนิชนานาญเราหวังวิมุตส์ก็ขอให้มันไม่วิมุตส์ในเรื่องทางกายไปก่อนอเรากินอาหารอร่อยเนี่ยวิมุตส์มันได้ไหมให้มากินอาหารธรรมดา เออไม่ต้องปรุงมากนะวิมุตไดไหมเราติดกาแฟเนี่ยวิมุตได้ไห ม, นะ ม, ไ, ไ, หมไม่ได้เดี๋ยวง่วงขึ้นมาไปซอกหากาแฟ е แล้วเออเขาบอกว่าเจริญตัวรูแต่ว่าหิวขึ้นมาไปแล้ววิมุตไม่ได้แต่ถ้าวิวเออกำหนดรู้ออหิวหิวกาแฟก็รู้ก็หิวเท่านั้นเองไปกินน้ําแทนเสียดีกว่าใช่ไหมดีกว่าไปกินกาแฟกินน้ํามาติดน้ําดีกว่าติดกาแฟนะใช่ไหมเออดีกว่าโคกซะอีะกเออพอ ง่วงขึ้นมาไปเดินไปหาโคก <c oughs> พ่อใหญ่ทีเมื่อวานถือขวดโคกเฉยเลย <c oughs> เอไมไม๋อทําไมพ่อใหญ่ทีบอกว่ามันง่วงอ๋อมันง่วงไปกินน้ำเสียไปกินชุยไปดีกว่าโคกคนละอเอะ เ, เ, เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะบางครั้งนะเราโอ้ยจากได้วิมุตต์ใหญ่ๆก็วิมุตเล็กๆมันยังวิมุตไม่ได้อะวิมุตต์ใหญ่จะได้ไงจะหิวกาแฟเลยติดอาหารเลยติดนู่นติดนี่เยอะแยะเด็กเดี๋ยวนี้ ติดไวไฟเขา้ามาเพ่อมันถามหาไวไฟก่อนเลยนะไ WiFi อยู่แน่ใจพอได้ไว Fi แล้วมันเงียบไปเลยภาไม่มองไม่เห็นมันไปหลบอยู่ที่ไหนไม่รู้ไปนั่งแชทกันอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยปัจจุบันมันมีเรื่องให้ติดเยอะแยะไปหมดแล้วมันจะวิมุดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะนั้น <laughs> <laughs> มีทางเดียวจะต้องสร้าง <S <S สติสมาคมคุมหน้าเกิด <n> ข um ึ้นเนี่ยเพราะมันติดแต่แค่โยมแค่ติดกาแฟก็หนักแล้วใช่ไหม แต่ว่าทุกอย่างเขามันจะชันแค่ไหนนะภาษีทางเหนือนะเขามันจะชันแค่ไหนก็ยังแพ้ความเพียรอ่าหมายความมันจะสูงแค่ไหนฉันก้าวเขาไปทีละก้าเดี๋ยวท่านถึงยอดเขาอยู่เดียวแต่ว่าเห็นว่าภูเขาโอ้โหสูงเหลือเกินจะขึ้นไม่ไหวไม่ขึ้นเลยมั่จะไปถึงไง โอ้มาขนี่พามันสูงเหลือเกินชินไม่ได้หรอกไปชาติหน้าก็เลยชาตินี้เกิดมาสมบูรณ์พร้อมผู้อย่างมึงจะเอาไปได้ไม่ได้อะแล้วชาติหน้าไปเกิดเป็นอะไรอ่ะ เ, อเกิดไปนในศาสนาอื่นได้เกิดไปใช้กรรมเป็นหมูหมากาไก่ขึ้นมามันก็ไปกันใหญ่ใช่ไหมชาตินี้มีท่าสี่ขันห้ามีปกติทุกอย่างจะเอาไม่ได้เลยชาติต่อไปมันจะหวังได้ไงใช่ไหมดังนั้นอย่าเสียชาติเกิดเอาให้ได้ชาตินี้แหละนะ อาจมาหลังจากเข้าใจเรื่องนี้แล้วอยู่ไม่ได้เลยนั่นไงต้องบอกเรื่องนี้ให้โยมเนยเอายโยแม่มาไปพยายามอายโยแม่อยู่สามปีถึงจะได้นะตอนเดี๋ยวนี้ก็พอโยอแม่เข้าใจแล้วมันก็ทํางานได้สบายไม่ต้องห่วงแกแล้วต่างคุณต่างไปเลยทีนี้เอาแกไปทิ้งอยู่บนเขาโยมไม่เชื่อไปดูไปสร้างวัดให้แกอยู่บนเขาเด้๋ยนี้เพราะฉะนั้นเราพอทําเรื่องนี้ได้แล้วอมันสบายจะได้คิดเห็นเพื่อนมันทุกข์เนี่ยดำเข้าเครียดนะ แต่มันเป็นเรื่องไม่ยากแต่มันไปนทุกข์กับมันเพราะขาดตัวเดียวคือตัวรู้เราก็มาสร้างตัวรู้โชคดีไปพบหลวงพ่อเทียนเพราะหลวงพ่อเทียนบอกให้รู้ตามความสามารถของเราถ้าความรู้อะไรที่มันเกินความสามารถของเราเนี่ยมันทําให้เราไปไม่ถึงเอามาไปเริ่มต้นที่สนโมกใช่ไหมไปธรรมนา ป, ป่านั่งเข้าสมาธิเมือ่อไหร่ก็ถ้ามีสติสมาธิดีก็เข้าชานไปวันไหนสติสมาธิไปดีก็เป็น นี่วอนไปสลับก็อยู่เนี่ยสงบไม่สงบสง บ, สงบไม่สงบวันหนึ่งไปถามหลวงพ่อบุทธรรมนี่หลวงพ่อเวลาผมได้รู้สึกตัวที่ดีเนี่ยเพรได้เข้าสมาธิได้นานยาวแต่วันไหนไม่ได้สติสมาธิเลยผมทําอะไรไม่ได้เลยไม่เจอง่วงกับเง้วงนั่งหลับได้ทั้งวันนะให้ท่านไปดูอาณาปนาสติสิบหกขั้นผมได้อธิบายไปแล้วอย่างละเอียดท่านไปอ่านไปถามเมื่อไหร่ก็เจอคํานี้นะในที่สุดไม่ถามเลย คนกาลังง่วงอยู่เป็นอ่านพระไตรปิฎกได้ไง <c oughs> ในที่สุดไปหาอาจารย์หงใหม่มาเรียนมหาจุฬาตอนนั้นเนาะนนก็ไปเรียนกับหลวงพอ่อประมหาทาเจ้าคุณโชดกุกท่านก็สอนนะตาเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามหูได้ยินเป็นรูปรูปเป็นนา ม, มกายสัมผัสเป็นรูปรูปเป็นนามจมูกดมกลิ่นเป็นรูปรูปเป็นนามลิ้นมดด้วยรูปรูปเป็นนามก็ท่องอยู่อย่างเงี้ยเอ้เราก็รู้ได้นี่ใช่ไหมสัมผัสแต่ว่าทุกคิดมันก็ยังมีอยู่ ฟุงแต่งฟุงส่านก็ยังมีอยู่เอ๊ะรู้ว่าก็เหมือนเดิมอ่ะจำได้สายหน่อเนี่ยมาทำจำนานล้วเข้าตัวแข็งได้ด้วยนะเข้าจนสมาดิกึ๊บเข้าไปเนี่ยใครจะยกไว้ที่ไหนก็ได้วันหนึ่งมาไปทาที่วัดสนามนตอนนั้นเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนแล้วไม่เรื่อมสายเพราะยังติดหน่ออยู่แต่เรื่อมสายเพราะอะไรท่านพูดน่าฟังทีนี้เราก็ไปทำของเราทาจนตัวแข็งนะ่ เราก็มารายงานหลวงพ่อเทียนนี่หลวงพ่อพุ่งทำได้ทำอะไรเขาตัวแข็งได้ใครจะยกไปไหนกลิ้งยังไงก็ไม่นี่แหละเรียกว่าสมาธิสะกดจิตอย่าทําต่อไปถ้าทําต่อไปเดี๋ยวเป็นนามาพึกนาพาตายจิตมันอ่อนแล้วคุณไปอริยะภูมไม่ได้ไปแค่พรมเนี่ยอย่าทําไปทําไมนอกจากจะเป็นแก่มาเป็นนามพึกนาพาตา ย, ตายแล้วจิตยังหมดสภาพดยพอไปบังคับจิตจนหมดสภาพอะ พวกพรมอใช่ไหมพรมยุ่งไปนิพพานไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมันอ่อนเพราะจิตมันอ่อนก็สมาธิเอาไปกินหมดสมาธิแบบวิชาสมาธิอะบริยธำทำต่อมาแล้เลิกทำํำเท่านั้นมาแล้วก็มาเก็ตในวิธีการของท่านถ้าไม่พบท่านนั่นมาก็ตอนนี้คงเป็นโรคปสะสาทตายไปแล้วนะมันไปไหนไม่ได้แต่อยากจะทําต่ไปไม่ถูกแต่พอมาเจอหลวงพ่อบอกอทำทวิธีเรนนี้นี่แหละไม่ต้องเอาเยอะแต่ให้รู้ตัวเอาตัวรู้อย่างเดียวจะลุกให้รู้ มันก็ไม่ใช่ง่ายนะจังหะเราเรียนวิปัสนาเรียนกรรมาฐานได้มาก่อนจู่ๆม่นั่งยกมือแบบแบบว๊บๆไปไวเนี่ยมันยากแต่ในที่สุดก็ยอมเมื่อมาเห็นด้วยตัวเองอ๋อก่อนที่จะยอมชกมือที่พร่ อ, อะไรนะียนไหมในช่วงนั้นเน่ยเรียนอยู่ปีสองมหาจุฬาบาลีก็จะสอนตัวเองก็จะสอบนักธรรมก็จะสอนมหาจุฬาก็จะสอบวิชาชุดครูพอมอก็จะสอบวุ่นเต็มหัวเลย หอบหนังสือไปดูที่วิสณ์นามในอ่านไม่ได้เวียนหัวในที่สุดในวิสณ์นามในมันอยู่กลางสวนทุเรียนใช่ไหมแล้วก็หอบตํารานี่ไปที่แกโต๊บหลังวัดเป็นเป็นหน่ำเขาเรียหนําไปนั่งนั่งเราวุ่นก็เลยเอยอหลวงพ่อบอกยกมือสร้างจังหวะลองยกดูนะมันไม่มีทางออกเลยมายกมือยกได้ประมาณสักห้านาทีไอสิ่งที่วุ่นในหัวมันโล่งไปเลยนะ ลงไปก็ทําต่อเป็นหลายชั่วโมงแล้วนั้นตั้งแต่นั้นมายกมือแบบไม่ไอายเลยเพราะได้สัมผัสว่โอ้ไอ้การที่จิตของเรามันไปวุ่นกับความคิดเพราะมันลืมตรงนี้เพราอจิตมาไว้ตรงนี้มันก็ทิ้งตรงนั้นใช่ไหมมันก็เบาเลยความสงสัยเรื่องยกมือก็หายไปที่นี้มาเดินจงกรมเราก็ยังเดิมแบบหน๋อเหมือนเดิมแนะหละหจังหวัดหยับยกยางแท้รู้บนสงบดีจริงๆนะแล้วก็สง่า ด, ด้วย แต่คนเห็นเนี่หน้าเรื้มใสเลยเมื่อกั้นเดิ <c oughs> เดนหน้าเรื้มใสแลยวยกวันหนึ่งหลวงพ่อเทียนมาท่านทำอะไรได้จุกุมเอา้าทำไมเดินอย่างเงี้ยถ้าเวลาท่านเดินไปห้องเข้าห้อ ง, อ ง, องน้ำมองอสวมไปตลาดตานีเดินแบบนี้เหรอ <c oughs> เออเวลาอยู่บ้านหมูหมากาไกา่ขึ้นบ้านถ้าจะเดินไปค่ อ, อยไปเงี้ยมันจะไปได้ไหม ทำอะไรให้มันปกติท่านว่านะ่ยอันนั้นมันผิดปกติก็คุณเดินธรรมดาแล้ว ก, ก็รู้ตัวไปได้ไหมได้อ่ะทำไมไม่เอาอ่ะไปเดินให้มันหนักทำไมอ่ะโอ้โหท่านโดินอย่างงี้หลายดอกหลายครั้งตัวจะเลิกได้นะเออจริงของท่านแล้วก็เดินให้สบายาอย่างเงี้ยดิเื่อจะไปเพื่อให้รู้ตัวว่าชัดไม่ชัดแค่นั้นเองอย่าไปรู้มันเยอะท่านว่าถ้ารู้เยอะเกินไปเป็นปการทรมานตัวเองชดตรงในที่สุดก็เลิกสมาธิแบบนั้น เพราะนั้นนการที่เราได้ประสบการณ์ผิดพภาดมาก่อนมันเป็นข้อดีให้เราเปรียบเทียบไงเปรียบเทียบแล้วหลังจากนั้นมาพศ2องพจนถึงปัจจุบันเนี่ยเอามาเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยเรื่องอื่นไม่เอาก็สบายมาตลอดตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะเบาสบายเลยนะเพราะฉะนั้นตัวเปลี่ยนตัวไม่รู้มาเป็นตัวรู้เนี่ย มันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันต้องผ่านขบวนการมีเหตุมีผลมีหลักวิชา ล, ลองรับไม่ใช่วเวลาทําไปมั่วๆแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ฟังรายละเอียดนี้เราก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวรู้ใช่ไหมเอ๊รู้นี่รู้ตัวนี้นี่รู้แต่ว่าจะรู้ต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยได้ไหมนี่ความสําคัญมันอยู่ตรงนั้นเรารู้ได้สักพักหนึ่งสามนาทีหานาทีใช่ไหมเผลอก็ไปละมันขาดสาตัดจากการิโนขาดความต่อเนื่องภาษาอังกฤษที่เรียกว่า continuous ี่เนี่ยมันไม่พอ แต่พระพุทธเจ้าท่านให้จํากัดในสติปฐานสูตรไว้ว่าใครก็ตามมาเจริญสติปฐานสี่ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่อี่ลืมนะเป็นลูกโซ่หมายความมันต้องคล้องกันตลอดอะ่ะไม่มีใครเลยที่จะรู้ไม่ได้อย่างช้าไม่เกินเจดปีอย่างเรียวไม่เกินเจดวันต้องรู้แต่ให้เป็นลูกโซ่แล้วแต่ว่าลูกโซ่จะติดต่อมากน้อยแค่ไหนถ้าลูกโซ่ขาดกันเปนช่วงไปช่ว ง, วงมันก็เจ็ปีนั่นแหละถ้าลูกโซ่ต่อเนื่องกันจริงๆริงอย่าว่าแต่เจดวันเลย พระยะศกรุบุตรฟังพระพุทธเจ้าเช้าเดียวใช่ไหมบรรลุแล้วไม่กี่ชั่วโมงพาหิยาทาลุจิยะวิ่งมาตั้งหลายร้อยกิโมพระพระพุทธเจ้าพอเจอพระพุทธเจ้าขอถามปัญหาพอพระพุทธเจ้าตอบถูกปั๊บบรรลุทําเลยแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะวันหลังค่อยเล่าให้ฟังนะเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าทำรู้ต่อเนื่องจริงๆเนะี่ยมันมันไม่ใช่อาศัยเวลาอาศัยความถูกต้องอาศัยความเข้าใจถูกต้องเป็นหลักสําคัญนะ หมดเวลาเราวันนี้นะก็ขออนุโมทนา <c oughs> สาธุในความตั้งใจที่เราจะศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ให้ชัดเจนให้ถูกต้องเพราะว่าเราทุกมานานแล้วเพื่อที่จะให้ความทุกนี้มันลดเราเบาบางลงจนกระทั่งเราสามารถสัมผัสถึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ตลอดเวลาโดยการทุกคนทุกท่านทูน